หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืู น, นออกจากมือของคนผู้ให้เ้าไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ ก, ใก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจดังลายจนถึงกำน้ำตาลล่วงนักที่มองเห็นแล้ว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 ดูมากมายสาหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจาก น, น, นั้นเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ฐานไปไหนมีแต่กตะอยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำอสอนรอบรมให้รู้เรื่องรู้ราแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูนขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละ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 ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายทรับสินใดก็เห็นกรณ์มันเป็นในจริงนั้นนเป็นผลเ ป, นเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆถ้าสิ่งที่เกี็กบไว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็กบไว้ผั้นี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่นเรื่องการพยายามสั่งสมภ า, ายในก็เป็นอีกเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปใน่าตุในขันธ์ใ่อุญาตขาดแคลนบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย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 ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญชนิหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะ ก, อก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนใจบุคคล ผ, ผ, ผู้ประกอบปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธรมโมหะเวรคติธรรมะใจ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 การสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจิตความปริงหรือหลักความปริงเร า, าจะพูดจันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหงวกตาบอดทำในเชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่มก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหน